พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะผู้ที่ตรัสรู้สัพพายาธรรมคำว่าตรัสรู้ญายธรรมก็คือตรัสรู้สังขารทุกชนิดที่เป็นสังขารธรรมนะสิ่งที่ถูกปัจจัยตรงแต่งขึ้นสิ่งที่ต้องก่อร่างสร้างตัวเองขึ้นมาเรียกว่าไม่มีเสถียรภาพอยู่ในตัวเองตามตามตามลําพังเนี่ยนะซึ่งจะต้องอาศัยปัจจัยธรรมทั้งหลาย เช่นรูปอาศัยรูปรูปอาศัยนามนามอาศัยรูปรูปนามอาศัยรูปรูปอาศัยนามเนี่ยนะหรือว่านามอาศัยนามเป็นตนเรียกว่าสังขารธรรมหรือสังคตธรรมสังคตธรรมทั้งหลายทุกชนิดทุกประเภททั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประณีตทั้งที่อยู่ไกลหรืออยู่ใกล้สัพพายายธรรมสัพพะสังขารธรรมทุกชนิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว แล้วก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยทำให้ง่ายได้ด้วยนี่อย่างที่สองวิสังขารนะนะวิสังขารหรือเรียกว่า อ, า ส, อาสังขตะธรรมเนี่ยนะทั้งบัญญัติเป็นต้นทั้งพระนิพพานพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นทั้งมวลโดยไม่มีเหลือพันสังขารหรือวิการรูปทั้งหลายวิการรูป ที่อยู่ในกลุ่มลักษณะรูปเนี่ยนะพวกกลุ่มวิการรูปเนี่ยอาการเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของรูปธรรม ท, ทุกชนิดพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะนั้นไม่ว่าจะเป็นการขยับขยื่นเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของมวลสัพพสังขารที่เป็นไปอย่างเช่นรเนี่ยพระองค์ก็ตรัสรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วก็พระนิพพานซึ่งเป็นที่สุดของสัพพสังขารทั้งปวงเนี่ยนะ ที่สุดของที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสรู้แล้วก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงบัญญัติถ้าจะกล่าวไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสามารถเอามาแปรรูปเนี่ยนะเอามาแปรรูปเป็นธรรมเทศนาที่เหมาะสมกับอัธยาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นบุญพิเศษที่พระองค์สั่งสมมาเนี่ยนะถ้าหากว่าพระองค์ไม่ได้สั่งสมมาก็ไม่มีความสามารถที่จะ เอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงมาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยได้มีเหมือนอย่างว่าพระปเจกขพุทธเจ้าเนี่ยนะส่องสว่างได้เท่ากับแสงเดือนพระปเจกขพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนที่มองต้นไม้ในตอนกลางคืนเนี่ยนะก็มองเห็นรู้ว่าต้นไม้แต่ไม่สามารถจะมาบัญญัติว่าเออต้นไม้ต้นนี้เรียกว่าเป็นอย่างนี้ดอกไม้นี้มีสีอย่างนี้นะเพราะฉะคนที่มองแค่ว่าชมแมกไม้ชมหมู่ไม้ ในยามกลางคืนเนี่ยก็ยากที่จะแสดงยากที่จะบัญญัติเพราะแสงสว่างไม่เพียงพอฉันใดพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ฉันนั้นไม่ใช่ว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านไม่มีปัญญาท่านมีแต่ปัญญาของท่านก็เหมือนกับแสงจันในยามกลางคืนไม่สามารถที่จะสอดส่องแล้วก็บอกอาการบอกลักษณะเนี่ยนะมันใครที่ใช้ผ้ามีลวดลายวิจิตเนี่ยเอาไปเที่ยว ง, งานกลางคืนโดยใช้เฉพาะแสงจันเนี่ยนะ จะเห็นความวิจิตความงดงามของสิ่งเหล่านั้นไหมบอกยากว่ังนั้นอาจจะเห็นก็แหมเลือนรางเต็มทีเอามาบัญญัติมาแสดงมาแต่งตั้งก็ยากเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้านี่เหมือนอยาดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันสามารถที่จะแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยประกาศแสดงสังขารธรรมเหล่าใดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามที่พระองค์ประสงค์เพราะพระองค์เป็นผู้ชํานาญในยานเป็นผู้ชํานาญในปัญญามันสามารถเอาสิ่งเหล่านั้นมาแสดงได้ นี่การแสดงก็ไม่ใช่แสดงเพื่อลักษณะโชว์ผลงานของความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นกลุ่มนักโชว์เนี่ยนะที่เรียกว่ า, าจะได้เป็นเป็นคนที่เด่นในในโลกอะไรลักษณะนั้นไม่ใช่พุทธประสงค์พุทธประสงค์จริงๆก็คือการแสดงของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเนี่ยนะเพื่อให้สัตว์สัตว์ทั้งหลายได้รับสิ่งที่เกื้อกูลที่สุดเท่าที่สัตว์ควรจะได้รับเนี่ยนะตามบุญตาม วาสนาตามอุปนิสัยสําหรับผู้ที่มีบุญวาสนาพอจะตรัสรู้ได้พระองค์ก็สอนให้เขาตรัสรู้ได้ทันทีผู้ที่จะตรัสรู้ต่อต่อไปแต่ว่าภายในชาตินี้พระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้เขาตรัสรู้ต่อต่อไปหรือผู้ใดไม่มีบุญวาสนาจะตรัสรู้ได้ในชาตินี้พระองค์ก็แสดงธรรมให้เขาตรัสรู้ในชาติหน้ามีนะสกุลุทายีปริภาชก ในสมัยพุทธกาลเขาไม่ได้บรรลุสมัยพุทธกาลเขาไม่บรรลุแต่หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขาจึงได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์นั้นก็เป็นการแสดงธรรมที่เรียกว่าฝากต่อต่อไปเนี่ยนะพบต่อต่อไปในภายในศาสนาของพระองค์เองก็ตามหมายคือว่าแรกแรกที่เขาฟังธรรมเขายังไม่ได้ตรัสรู้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปแล้วนั่นแหละเขาก็สามารถตรัสรู้แต่ยังอยู่ภายใน พุทธเขตหรือพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าบางท่านนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะต้องรอเปลี่ยนพระพุทธเจ้าองค์ใหม่นั่นแหละเรียกว่าต้องบ่มอินทรีอีกเป็นเป็นพุทธันดอนบ่มอินทรีเป็นพุทธนนั น, น, ทธนดอนจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งซึ่งใช้เวลาเนื่นานานมากก็พอตรัสรู้ได้แต่ก็ตรัสรู้ให้กลับเดียวกันบางท่านนี่ไม่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยนะ ต้องแบบแม้ต้องกลับถัดไปนะจึงจะได้ตรัสรู้เมื่อมีพระพุทธเจ้าองค์อื่นในกลับถัดไปถ้าระหว่างนั้นเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ล่ะก็รอไปเหอะนั่นนะก็รอจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้าผู้ผู้ผู้มีดวงตาในโลกพระผู้มีจักษุในโลกผู้มาแสดงอริยสัจธรรมประกาศอมะตะธรรมเพื่อให้สัตว์ได้ดื่มอมะตะเนี่ยนะเปิดประตูอริย์เปิดประตูคืออริยมรรค ให้สัตตรสรู้พระนิพพานก็บางท่านก็รอไปอีกหลายกับเนี่ยนะบางท่านก็รอไปอีกเป็นแสนกลับถ้าระหว่างนี้มีพุทธศาสนาแต่บางทีก็ไม่มีโลกว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอสงไขกลับเนี่ยนะเป็นอสงไขกับบางทีโน่นแหละบำเพ็ญบารมีสร้างบุญสร้างกุศลเป็นอสศงไขจึงจะได้ตรัสรู้บางท่านก็คือโลกมันว่างจากพระพุทธศาสนาเป็นอาศงไขอสงไขซึ่งมันเนื่นนานมากเนะ่ยนะ มันเนื่อนนานมากเมื่อไม่นานมานี้ฝรัง่งท่านหนึ่งเขามาอม อ, ออกมาบอกว่าจั ก, กรวาลเนี่ยนะมันหาที่สุดไม่ได้เอาทรายในโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยนะทรายหนึ่งเม็ดต่อหนึ่งกาแล็กซีหนึ่งจักรวาลเนี่ยนะทรายนี่หมดไปก่อนจั ก, กรวาลไม่มีที่ที่สุดเนี่ยนะแล้วเขาก็พูดคือเขาก็พูดถึงว่าอันเนี้ยห่างจากโลกนี้ห่างไปดาวเคราะห์ดวงโน้นเนี่ย ใช้เวลาสี่ปีแสงอย่างเงี้ยนะสี่ปีแสงแส ง, แสงวินาทีหนึ่งเดินทางได้เป็นแสนกิโลเนี่ยนะแล้วก็บวกลบคูณหารเบ็ดเสร็จแล้วเดินทางสี่ปีถ้าเดินทางเร็วเท่าแสนถ้าเดินทางเร็วปกติธรรมดาก็สักแสนปีได้อย่างเงี้ยนะเรียกว่าเดินทางเป็นแสนแสนปีเลยแหละจึงจะจากจักรวาลหนึ่งไปสู่อีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันก็ไม่มีจบไม่มีสิ้นด้วยนั้นแสดงว่าโลกไม่มีที่สิ้นสุดสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะการเวลาก็เป็นสิ่งที่ไม่มี ที่สุดเนี่ยนะจักรวาลที่หาที่สุดไม่ได้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปที่หาที่สุดไม่ได้ในท่ามกลางการเวียนว่ายตายเกิดเหล่านี้เนี่ยนะในท่ามกลางจักรวาลที่เรียกว่าหาที่สุดหาประมาณไม่ได้อย่างนี้ถ้าไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะคงไม่มีทางที่เราจะออกจากวัฏทุกข์ได้หรอกไม่พบเลยว่าจะมีช่องทางอื่นถ้าหากว่าเราเรียนอริยสัจพยายามทําความเข้าใจในอริยสัจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แล้วเอาเนื้อความบทความเหล่าอื่นมาประกอบในโลกนี้ถ้าไม่ใช่พุทธวิสัยไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฐานะเลยที่จะได้เห็นอริยสัจธรรมเว้นไวแต่บุคคลกลุ่มพิเศษที่จะเป็นพระประเจกพพุทธเจ้าคือผู้ที่เรียกว่าทรงพระตรยัยปิฎกสะส่วนใหญ่ทรงพระตรยัยปิฎกและเข้าใจข้อปฏิบัติอย่างชัดเจนและท่านเหล่านี้อุทิศทุ่มเทในการปฏิบัติเนี่ยนะ เสมอด้วยชีวิตเนี่ยนะตายคาการปฏิบัติสักส่วนใหญ่กลุ่มเหล่านี้นี่แหละที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยแทบไม่ใช่ฐานะเลยสำหรับคนที่สั่งสมบุญไว้เน้อ ย, อ ย, อยทั้งหลายก็ต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่ อ, ต, อต่อไปเพราะในระหว่างนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่รอบรู้ในพระคุณของพระองค์เท่าที่ควรจะเป็นทเท่าที่จะเป็นบุญวาสนาะให้แก่ตัวเองต่อไปใน อนาคตในท่ามกลางอันจั ก, กรวาลหาที่สุดไม่ได้ถ้าเราหลุดจั ก, กรวาล น, นะทำไงถามว่าจากโลกนี้จากจั ก, กรวาล น, นี้ไปสู่จั ก, กรวาลอื่นเป็นไปได้ไหมบอกนี่เรื่องปกติเนี่ยนะธรรมนาการเคลื่อนย้ายจั ก, กรวาลแต่โดยจุติและปฏิสนธิไม่ได้เอาวิบากกรรมชลุบไปแต่หมายคำ ว, ว่าโดยจุติกับปฏิสนธิจั ก, กรวาลหนึ่งก็เคลื่อนย้ายกันไปเนี่ยนะอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยที่โลกถูกไฟไหม้เนี่ยสัตว์ก็ย้ายจั ก, กรวาล น้ำท่วมสัตว์ก็ย้ายจักรวาลไปปฏิสนธิในอขอบเขตอื่นที่เราว่างจากนี้ไปอีกเป็นแสนโกดจักรวาลนะน่ะในท่นามกลางการเวียนว่ายตายเกิดในท่ามกลางสังสารวัฏอย่างนี้ในท่ามกลางจุติปฏิสนธิอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆก็ไม่รู้จะเอาอะไรเป็นตัวที่ชักนําออกจากทุกข์ทั้งหลาย มันทำอย่างไรศรัท ธ, ธาของเราที่ยังไม่เกิดจะได้เกิดให้มั่นคงในพร a t h นะตรายแต่ที่สำคัญในศรัท ธ, ธาทับมองศรัท ธ, ธาเหมือนต้นไม้ปัญญาเหมือนกับรากรากเป็นตัวยึดรากเป็นตัวเกาะพันต้นไม้คือศรัท ธ, ธาของเราจะเติบโตงดงามขนาดไหนมากปานใดก็อยู่ที่ปัญญาว่าเราจะรอบรู้พระคุณของพระองค์มากหมถ้ารอบรู้ของพระคุณของพระองค์เนี่ยนะรากคือปัญญาต้นไม้คือศรัท ธ, ธา ก็จะแบ่งบานออกดอกออกผลออกดอกคืออริยมรรคออกผลคือโสดาปฏิพันธเป็นต้นเนี่ยนะมันจะเพาะปลูกต้นไม้คือศรัท ธ, ธารากแก้วคือปัญญาออกดอกเป็นอริยมรรคผลแทงตลอดเป็นสามัญญผลปลูกต้นไม้อันเนี้ยที่ไหนก็ปลูกที่ใจของเราเนี่ยนะมันดูว่ารากแก้วคือปัญญาของเราเนี่ยอย่างลึกในพระพุทธศาสนามากไหมสังเกตจากอะไรรู้ไหม เจริญพุทธคุณเนี่ยชำนาญและคล่องแคล่วมากขนาดไหนเนี่ยนะพอทีอ่แล้วก็มีอะไรวันๆหนึ่งเนี่ยนะมันเกาะใจของเราว่าเปลี่ยนไปเป็นเรื่องอื่นไม่ได้หรอกนอกจากเรื่องของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมันมันเกาะได้ขนาดนั้นไหมแล้วก็เห็นเรื่องอะไรเนี่ยไม่เสียเวลาในการเจริญพุทธคุณเลยแทบเรียกว่าระลึกถึงคุณของพระรตนตรยัยได้บ่อยๆและสม่ําเสมอถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอุปนิสัยอันนี้ ค่อนข้างดีแต่ถ้าหากว่าความรอบรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณน้อยเนี่ยนะก็ยังดีก็คือเพรา ะ, มะเมล็ดพันธ์เพรา ะ, มะเมล็ดพันธ์อะไรมะเมล็ดพันธ์การตรัสรู้แต่เมื่อไรก็ไม่รู้เพาะไว้แล้วในจิตในใจของเรานี่แหละเนี่ยสร้างบนสร้างวาสนาอีกให้ให้ตัวเองไว้แล้วเนี่ยนะนพยายามที่จะหาโอกาสเรียนรู้พระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้เก็บสะสมข้อมูลเกี่ยวกับคุณของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้เยอะๆเพราะถ้าเราไม่รู้คุณของพระองค์ตามที่ควรจะเป็นเรากราบไหวเราก็อาจจะศรัทธาของเราก็ไม่ประดิษฐานที่พระพุทธเจ้าเราสวดมนต์สรรเสริญก็นึกถึงแต่คาไม่ได้นึกถึงพระคุณเนี่ยนะตัวความหมายเพราะบาลีทั้งหลายคาพูดที่ร้องเรียกกันนี่เป็นพยัญชนะจะต้องให้เข้าถึงอัตความหมาย ความหมายของพระพุทธคุณแต่ทีนี้พระพุทธคุณเนี่ยนะก็ไม่ใช่ว่าผู้ใดผู้หนึ่งจะเข้าใจได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์และสูงสุดเว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าด้วยกันเพราะนั้นปัญญาของเราเนี่ยนะมันโตมีที่สุดแต่ว่าพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีที่สุดเนี่ยนะเพราะนั้นแต่ว่าการที่เรียกว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณหาที่สุดไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าอย่าเจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะ ก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นไม่ต้องหายใจเนี่ยนะเพราะมันมันแบบอะไรอากาศมันไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นถ้านั้ามองเห็นว่าการการที่เราหายใจมีประโยชน์ชันใดต่อชีวิตการเจริญพุทธคุณก็มีประโยชน์ต่อการตรัสรู้ฉั้นนั้นก็เป็นบุญเป็นวาสนาที่จะให้เราได้ตรัสรู้เพราะเออเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสรู้เราก็สะสมอุปนิสัยให้เกิดการ ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตอย่าลืมว่าการตรัสรู้ตรัสรู้เนี่ยนะตรัสรู้ทุกด้วยการกําหนดรู้ตรัสรู้สมุทัยด้วยการละตรัสรู้นิโรธ ด, ด้วยการทําให้แจ้งตรัสรู้อริยมรรคด้วยการเจริญโสดาปติมรรคสกทาคามิมรรคเป็นต้นที่ประกอบไปด้วยองค์8อันท่าไม่นอบน้อมบูชาพระพุทธปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วโอกาสฐานะปัจจัยที่จะให้ตรัสรู้ไม่มีเลย เนี่ยนะเพราะพื้นฐานของการตรัสรู้มาจากโลกิยะสารนคมเนี่ยนะโลกิยะสารนคมเป็นเหตุให้ตรัสรู้โลกุตระสารนคมการถึงสาระโดยโลกิยะและโดยโลกุตระเพราะสิ่งเหล่านี้อยู่ที่จิตของเราจิตตุบบาทตัวความคิดของเราที่เกาะคุณของพระรัตนตรายให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้มากที่สุดเท่าที่จะ มากได้อย่าลืมว่าความคิดของเราที่มีพระธรรมตรายเป็นอารมณ์นั้นเป็นความคิดที่มีค่ามากนนะมีค่าเพราะความคิดอนั้นประกอบด้วยศรัทธาศรัทธาเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าดินศรัทธามีคุณค่ามากกว่าน้ำมากกว่าลมมากกว่าไฟถ้าจะเจริญเนี่ยนะถ้าเปรียบว่าเจริญดินน้ําลมไฟเช่นปลูกต้นไม้ให้งอกเงยให้งอกงามกับศรัทธาที่งอกงามอะไรจะน่าปลื้มใจกว่ากัน ถ้าเน้นปลูกต้นไม้ซะเขียวชอุ่มไปหมดกับศรัทธาที่สดใสเติบโตไพยบูรณ์ขึ้นอันไหนหน้าเพราะอันไหนหน้าปลูกอันไหนน้าเจริญกว่ากันก็บอกว่าศรัทธาเนี่ยแหละน้าเพราะหน้าปลูกหน้าเจริญบางคนก็บอกว่าเห็นต้นไม้นะมันมันมันโตขึ้นเห็นมันออกดอกออกผลปราบเรลืม่มปีติสมานัสบอกว่านั่นเล็กน้อยถ้าเทียบกับศรัทธาที่ เติบโตขึ้นคนที่เจริญศรัทธามากๆจะรู้ว่าความเจริญแห่งศรัทธานั้นมีความสุขมากเนยนะเป็นไปด้วยปีติและปราโมทย์แล้วก็ศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาก็เป็นศรัทธาที่ไม่ตั้งมั่นและก็ไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไม่คลอนแคลนเนี่ยนะก็กล่าอธิบายให้แก่ตัวเองได้ว่าทำไมจึงมีศรัทธาอย่างศรัทธาที่เรามีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยทําไมเราต้องศรัทธาในพระองค์ถ้าไม่ศรัทธาไม่ได้หรือ